เรื่องพระศิวลีเทระพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองกุนทิโคลิยะประทับอยู่ในป่าชื่อกุนททานทรงปรารบพระศิวลีเทระความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระธิดาของพระโคลิยะวง์พระนามวาสุปวาสาทรงคันสิ้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทุกขเวทนาแล้ว ทรงอดกลั่นทุกนั้นด้วยวิตกสามข้อคือ 1. พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมเพื่อออกจากทุกข์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้เองโดยชอบหนอ 2. พระสงฆ์สาวกใดปฏิบัติเพื่อละทุกข์พระสงฆ์สาวกนั้นปฏิบัติดีแล้วหนอและ 3. ทุกนี้ไม่มีในพระนิพพานใด พระนิพพานนั้นสุขหนอดังนี้แล้วทรงส่งพระสวามีไปกราบทูลถวายบังคมพระสัสดาทรงตรัสว่าพระธิดาสุปวาสาจงเป็นผู้มีสุขไม่มีโรคประสูตยพระโอรสซึ่งหาโรคมิได้เถิดดังนี้พระนางประสูตยโอรสผู้หาโรคมิได้แล้วทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ถวายทานสิ้นเจ็ดวันแม้พระโอรสของพระนางถือเอาที่กรองน้ำกรองน้ำถวายพระสงค์ได้ตั้งแต่วันประสูติต่อมาเสด็จออกบรรพชาแล้วบรรลุอรหัตพระสัสดาทรงตรัสว่าผู้ใดล่วงทางอ้อมลมสงสารและโมหะนี้ไปแล้วเป็นผู้ข้ามไปได้ถึงฝั่งมีปกติเพ่ง อกิเลสเครื่องวันไหวไม่ได้ไม่มีความสงสัยเป็นเหตุไม่ถือมั่นดับแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามอธิบายคำว่าล่วงทางคือล่วงราคะลมคือกิเลสสังสารวัฏโมหะ คืออันไม่แทงตลอดอริยสัจสี 4. ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ